และรู้เท่าด้วยแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่จะ้สมมุติคือทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นสมมตินี้แสดงขึ้นที่นั้นเพราะไม่มีเชื้อให้ให้สมมุติอันนี้เกิดขึ้นมาได้ทังยาตั้งขานยินยาณอันนี้มีประช้าที่ไหนมันมีความเกิดขัามดับธรรมธรรมดางมันโดยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุที่เป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมา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 แล้วคนหนักกำตายจริงอยู่ที่ไหนไมันไม่มีนี่ตเองเหลือแต่ความรู้ทั้งรัวแล้วกลัวที่ไหนกลัวตายกลัวอะไรแล้วกลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเราตัวจริงของมันจึาต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสำคัดความสงฆ์ก็ททำให้สาคัญสาคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเรา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 นี่เป็นขั้นละเอียดเป็นขั้นสุดยอดของกิเลสยอดของกิเลสก็ก็ดังที่อธิบายแล้วยอดของปัญญาก็เน้นกันลงที่ตรงนั้นฟาดปันกันลงที่ตรงนั้นจนกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือคำที่ว่าสมมติหรือขึ้นที่ว่าสมมติไม่มีเหลือคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีจะมีอยู่ในสภาพใดข้างนอกก็ดีข้างใน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 ชาช้าของจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนที่นนอกจากนี่พานนางปรามังสุ ข, ขังเท่นั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่านั้นขอให้นำไปพิจิตพิจารณาคนคว้าลงมาตายที่จุดนี้เรื่องชัยชนะเรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์สุดพ้นมีนี้เท่านั้นจึงขอจิตติเพียงเท่านี้น